45, สี่สิ้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพุลสมเด็จพระญาณสาังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอารักษ์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 ท่านแปลว่าจเจริญรุ่งเรืองหมายความว่าจเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณวิเศษมีชานเป็นต้นรูปประพรมนั้นมีสูงขึ้นไปเป็นชั้นๆตามภูมิชานดังต่อไปนี้ชั้นปฐมรูปประชานหนึ่งพรมปาริสัพชาแปลว่าเป็นบริษัทของพรมท่านอธิบายว่า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 ใหญ่กว่าพวกพรหมปารฤศชาเป็นต้นเช่นมีวันณะยิ่งกว่ามีอายุยืนกว่าพรหมสามพวกนี้ท่านว่าสถิตยอยู่ในชั้นเสมอกันแต่มีความรุ่งเรืองกว่ากันเป็นที่เกิดของผู้ได้ปฐมรูปชานคือรูปชานที่หนึ่งถ้าได้อย่างอ่อนก้ใหเกิดในพวกพรหมปารฤศชาถ้าได้อย่างกลางก้ใหเกิดในพวกพรหมปุโรหิตา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 เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรให้พิเศษยิ่งขึ้นอันควรจะเรียกด้วยคำอื่นเช่นอุบาสกอุบาสิกาพิกสุสามเณรก็คงเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทและพวกพรหมปุรโรหิตาก็น่าจะหมายสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งโดยความก็คือเป็นพวกพรหมชั้นต้นๆแต่ก็นับว่าเป็นพรหมแล้วชั้นธุตยรูปฌาน สี่ปริตตาภาแปลว่ามีรัศมีน้อยคือมีแสงสว่างน้อยกว่าพรมชั้นสูงสูงขึ้นไปห้าอับประมาณาพาแปลว่ามีรัศมีไม่มีประมาณคือมีแสงสว่างมากเกินที่จะประมาณได้หกอ่าพัสราแปลว่ามีรัศมีส่านไป คือแผ่ออกไปแต่ที่นั้นที่นี้ดุดสายฟ้าแลบออกจากกรีดเมฆเพราะมีขันทศนันเกิดจากฌานที่มีปีติอีกนัยยะหนึ่งอาภัสราแปลว่ามีรัศมีพวยพุ่งคือหยดย้อยออกเหมือนย้อยหยดออกจากสรีระดุดเปลวไฟแห่งโคมประทีพอีกอย่างหนึ่งอาภัสราแปลว่ามีปกติสว่างสวยัย ด้วยรัศมีพรมสามจัมพวกนี้สถิตยอยู่ในชั้นเดียวกันแต่มีรัศมีรุ่งเรืองกว่ากันเป็นที่เกิดของผู้ได้ทุติยรูปชานคือรูปชานที่สองถ้าได้อย่างอ่อนก็ให้เกิดเป็นพวกพรมปริตาภาถ้าได้อย่างกลางก็ใหเกิดเป็นพวกพรมอัปปามานาพาถ้าได้อย่างแข็งกล้า ก็ให้เกิดเป็นพวกพรมอาภัสราชั้นตติยารูปฌานเจ็ดตาฤทัสุภาแปลว่ามีรัศมีแห่งสราญะสวยงามน้อยคือน้อยกว่าพวกพรมชั้นสูงขึ้นไป8อัปประมาณสุภาแปลว่ามีรัศมีแห่งสราระสวยงามไม่มีประมาณคือมีมากเกินที่จะประมาณได้ สุภกินหาแปลว่ามากมายไปด้วยรัศมีที่สวยงามคือมีรัศมีผุดสว่างทั่วไปแผ่ซ่านออกจากสรีระเป็นอันเดียวกันมีสิริเหมือนอย่างแพ่งทองที่รอดรุ่งอยู่ในหีบทองพรหมสามจมพวกนี้สถิตอยู่ในชั้นเดียวกันแต่มีรัศมีรุ่งเรืองกว่ากันเป็นที่เกิดของผู้ได้ตัทยชาญ คือรูปปัจฉาที่สามถ้าได้อย่างอ่อนก็อหเกิดเป็นพวกพรมปริตตสุภาถ้าได้อย่างปานกลางก็ใหเกิดเป็นพวกพรมอัปประมาณสุภาถ้าได้อย่างแข็งกล้าหรือประณีตก็ใหเกิดเป็นพวกพรมสุภกินหาฉันจะจุดถักรูปปัานส0เวหัปพลาแปลว่ามีผลไพยบู์ ซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของฌานชั้นนี้เป็นที่เกิดของผู้ได้จตุตฌานคือฌานที่สี่ไม่ได้มีแบ่งเป็นสามชื่อสำหรับผู้ได้อย่างอ่อนอย่างปานกลางและอย่างตระนีษกล่าวไว้ชื่อเดียวรุมรวมกันไปอีกนัยะหนึ่งถ้าแบ่งรูปฌานออกเป็นห้าชั้นชั้นของพรมปาริสัชาพรมปุโรหิตาและมหาพรม สำหรับผู้ได้ปฐมฌานอย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างประนีตชั้นของพรมปริตตาภาอัปปามานาภาและอาภัสราสำหรับผู้ได้ทุติยฌานและ ต, ตัิยฌานอย่างอ่อนอย่างปานกลางและอย่างประนีตชั้นของพรมปริตตสุภาอัปปามานสุภาและสุภกินหาสำหรับผู้ได้จตุตฌานอย่างอ่อนอย่างปานกลาง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 ไม่กำหนดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเป็นอย่างที่เรียกว่าทำให้ดับไปเมื่อปฏิบัติอย่างนี้จนได้ถึงจะตุตฌานก็ให้ไปเกิดเป็นพรหมชั้นอสัญญีสัตว์มีแต่รูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารคือความปรุงคิดไม่มีวิญญาณอะไรอะไรทั้งสิ้นและเวลาตายจากมนุษย์ถ้ายืนตายก็ไปเกิดเป็นพรหมยืน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 อย่างอ่อนก็เหมือนหลับหรือสลบไปอย่างแรงก็เหมือนตายแต่ไม่ตายไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรในเวลานั้นทุกอย่างทาให้ดับลงไปได้ในขณะที่อยู่อิริยบทใดก็จะอยู่ในอิเรียบทนั้นเช่นเดียวกับที่ท่านว่าไปเกิดเป็นอสัง ญ, ญีสัตว์อยู่ในอิเรียบทอย่างเดียวกับเมื่อเวลาตายน่าจะตรงกับที่ไทยเราเรียกว่า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 ถึงเรื่องอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมมาทิฐานเต็มที่ฉะนั้นการที่แทรกเรื่องนรกสวรรค์เข้าไว้ในภรษราที่หกก่อนก็เพื่อจะแสดงปุคลาทิฏฐานขึ้นก่อนแล้วจึงถึงธรรมมาทิฏฐานเป็นคู่เทียบกันไปทีเดียวและเรื่องสวรรค์ไป้ค้างอยู่ในชั้นอสัญญีพรมหรือพรมลูกฟัดซึ่งเป็นพรมภายนอกพระพุทธศาสนา แต่ก็ได้นำมากล่าวไว้ในอันดับของพรมที่สิบเอ็ดจึงจะดำเนินเรื่องพรมสื่อบลำดับต่อไปพรมชั้นสุทธาวาสห้าต่อจากพรมชั้นเวหัพลาหรือต่อจากพรมอสัญยีสัตว์ซึ่งนับเป็นพรมชั้นที่สิบเอ็ดก็ถึงพรมชั้นสุทธาวาส คำว่าสุทาวาสแปลว่าอาวาสคือที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์หรือที่อยู่อันบริสุทธิ์หมายถึงนิวาสภูมิของท่านผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นคำว่าผู้บริสุทธิ์ในที่นี้หมายเฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์คือพระอริยบุคคลชั้นอนาคามีในโลกนี้สึ้นชีวิตแล้วท่านว่าไปเกิดอยู่ในชั้นสุทาวาส และจะสำเร็จเป็นพระอาหารหันติพาในชั้นสุทธาวาดนั้นไม่มีกลับลงมาอีกท่านจึงว่าสุทธาวาสเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีและพระอาหารหันต์หมายถึงพระอนาคามีดังกล่าวและพระอาหารหันต์ที่สำเร็จภายหลังจากที่ขึ้นมาเกิดในสวรรค์แล้วสุทธาวาสนี้มีอยู่ห้าชั้นนับต่อจากชั้นส1บเอ็ดเป็นลาดับไปดังนี้ 12อวิหาแปลว่าไม่ละฐานของตนโดยการอันน้อยหรือไม่เสื่อมจากสมบัติของตนเป็นภูมิสุทธาวาสชั้นตน้น13อตบปาแปลว่าไม่สะดุ้งกลัวอะไรหรือไม่ทำผู้ใดผู้หนึ่งให้เดือดร้อนเป็นภูมิสุทธาวาสชั้นสองสี่ สุทัศสษาแปลว่าดูงามคือมีรูปงามน่าดูเป็นภูมิสุทาวาสชั้นสามสิบหสุทัศสีแปลว่ามีทัศนะ์คือความเห็นดีบริสุทธิ์เป็นภูมิสุทาวาสชั้นสี่16อหกิคติถาแปลว่าไม่มีเป็นรองเพราะมีสมบัต กิเป็นภูมิสุทาวาชั้นห้าสุทาวาทั้งห้าชั้นนี้นับเข้าในพรหมชั้นจตุรูปฌานคือฌานที่มีรูปกรรมฐานเป็นอารมณ์ชั้นที่สี่ชั้นอรมูปฌานสี่ต่อจากนี้ถึงภูมิชั้นของพรหมผู้มาเกิดเพราะได้อารูปฌานจักเป็นสี่ชั้นตามภูมิฌานดังนี้หนึ่ง อากาสานัญญัตนะคือชั้นของพรมผู้ได้อารูปฌานเพราะได้เจริญอารูปกรรมฐานว่าอากาศไม่มีที่สุดซึ่งเป็นอารูปที่หนึ่งสวิญญาณานัญญัตนะคือชั้นของพรมผู้ได้อารูปฌานเพราะได้เจริญอารูปกรรมฐานว่าวิญญาณไม่มีที่สุดซึ่งเป็นอารูปที่สอง สาอากินจัญญายตนะคือชั้นของพรมผู้ได้อรูปฌานเพราะได้เจริญอารูปกรรมฐานว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีซึ่งเป็นอารูปที่สามสเนวสัญญานาสัญญายตนะคือชั้นของพรมผู้ได้อรูปฌานเพราะไดเจริญอารูปกรมฐานที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกจนดับสัญญาอย่างยาบ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 รวมพรมทั้งรูปทั้งอารูปเป็นยี่สิบชั้นถ้ายกอสัญญีพรมเสียก็มีส9เก้าชั้นทุสเจดีบนพรหมโลกในไตรภูมิพระร่วง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 คงหมายถึงเป็นที่บรรจุผ้าคือพระภูษาดังกล่าวเป็นอันว่าพระพรมได้พระภูษาครือหัดขึ้นไปบรรจุในทุตเจดีส่วนพระอินได้พระจุลาโมลีกับผ้าพันโพกพระเสียรขึ้นไปบรรจุในยุลามณีเจดีในคราวที่ทรงพนบทนั้นบรนกิการทั้งแปดที่กติกาพระพรมถวายสาหรับบาศ ได้มีเหตุพิเศษที่ท่านกล่าวถึงอีกคือเมื่อนางสุชาดาน้อมถาดทองข้าวปายาตเข้าไปถวายพระโพธิสัตว์ในเช้าแห่งวันที่จะตรัสรู้บาทดินที่กติการพรมถวายมีบันดาลให้อันตรธานหายไปไม่ทรงเห็นบาดจึงทรงรับทั้งถาดครั้นตรัสรู้แล้วเมื่อผานิสสองพี่น้อง ชื่อตักุสะคนหนึ่งพันลิกะคนหนึ่งในน้อมข้าวสัตตุก้อนศัตรูผงถวายไม่มีบาต ท, ที่จะส่งรับเพราะบาตรดินก็ได้หายไปแล้วตั้งแต่เมื่อนางสุชาดาถวายถาปายาเท้าจตุโล ก, กบาลทั้งสี่นำบาศิลาจากทิศ ท, ทั้งสี่มาถวายรวมเป็นสี่บาทพระองค์ส่งรับอธิษฐานให้เป็นบาทเดียวกันและวสงรับข้าวสัตตุ ของพาณิชย์สองคนนั้นต่อมาในคราวปรินิพานก็ได้มีเรื่องเกี่ยวแก่พระเจดีย์ทั้งสองนี้อีกในปฐมสมโพธิกถานนั้นกล่าวว่าพระเคี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ายขวากับพระราขขวัญเบื้องบนขึ้นไปประดิสถานอยู่ในยุลามณีเจดีย์พระราขขวัญเบื้องซ้ายกับพระอุณหิตขึ้นไปประดิสถานอยู่บนทุสเจดีย์ ในพุทธวงศ์ได้กล่าวถึงที่ประดิษฐานบริขารทั้งหลายของพระพุทธเจ้าไ ว, ว้ว่าบาทไม้เท้าจีวร อ, อยู่ในเมืองวชิราสบงอยู่ในเมืองกุลกขระผ้าปูบรรทมอยู่ในเมืองสีหะละกระบอกครองประกตเอวอยู่ในเมืองปาตลีบุตรผ้าสงอยู่ในเมืองจำปา อุณาโลมอยู่ในแควนโกสนกาสาวพัทอยู่ในพรมโลกผ้าโพกที่กล่าวมาแล้วอยู่ในเมืองไตรทศหรือดาวดึงนิสีธนะอยู่ในอวันตีชนบทผ้าลาดอยู่ในเทอที่สีไฟอยู่ในเมืองมิถิลาผ้าครองอยู่ในรักวิเทหะมีดและกล่องเข็ม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 ในคราวที่วินาศด้วยไฟเกิดไฟไม่โลกตั้งแต่อบายภูมิต่ำที่สุดถึงมนุษย์สวรรค์จดพรหมชั้นปฐมชาตหรืออยู่ตั้งแต่ชั้นนั้นขึ้นไปในคราวที่วินาศด้วยน้ํานั้นเกิดน้ําท่วมโลกเหมือนอย่างนั้นแต่สูงขึ้นไปจดพรหมชั้นทุติยะตะติยชาตเหลืออยู่ตั้งแต่ชั้นนั้นขึ้นไปในคราวที่วินาศด้วยลมร้ายแรงที่สุด ลมทำลายล้างโลกตั้งแต่ชั้นต่าที่สุดไปจนพรมชั้นจตุตฌานเหลืออยู่แต่ชั้นจตุตฌานนั้นคือตั้งแต่ชั้นเวหภพลาที่นับเป็นพรมชั้นที่สิทธิตินี้แสดงว่าโลกทั้งหมดตั้งแต่อบายโลกจนถึงพรมโลกตั้งอยู่เนื่องกันอยู่ในคราวเกิดทุกภัยอย่างใหญ่ก็เนื่องถึงกันแต่ก็ยังมีเหลือ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 ในนิทานวัคท่านว่าไปเกิดเป็นเปรตชนิดต่างๆเช่นนั้นเพราะเศษกรรมคือเมื่อเป็นมนุษย์ทำบาปอยากช้าไว้ตายไปเกิดในนรกครั้นพ้นนรกแล้วยังไม่สิ้นบาปกรรมทั้งหมดจึงต้องไปเป็นเปรตเสวยทุกต่อไปอีกเพราะกรรมที่ยังเหลืออยู่นั้นคำว่าเศษกรรมก็คือบาปกรรมที่ยังเหลืออยู่ หมายถึงเศษบาสนั่นเองท่านกล่าวว่าเมื่อท่านพระลักษณะซึ่งเป็นองค์หนึ่งในจดินพันองค์และท่านพระมหาโมคลานะพักอยู่บนภูเขาคิจกูใกล้พระนครราชกฤกเวลาเชา้าท่านทั้งสองออกบินาบาทขณะที่เดินลงจากภูเขาท่านพระมหาโมคลานะได้แย้มโอทซึ่งเป็นอาการบันเทิงของพระอรหันต์ไม่ถึงยิง้ม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 ท่านพระมหาโมคคลานะจึงได้เล่าว่าได้เห็นร่างสัตว์อย่างหนึ่งลอยไปในอากาศมีลักษณะอาการตามที่ท่านได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าไดตรัสรับรองและได้ส่งพยากรณ์บาปที่สัตว์นั้นได้ทําขณะเมื่อเป็นมนุษย์ท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นบ่อยๆขณะที่เดินลงจากเขากิจกุและได้เล่าในที่เฉพาะพระพักทุกครั้ง ได้มีพุทธ毗ยากรทุกคราวว่าเป็นสัตว์ที่สวยเศษบาปดังกล่าวข้างต้นร่างสัตว์ที่ท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นเหล่านี้ในอัตถกถาเรียกว่าเปตต์คือเปรตทั้งหมดท่านพระมหาโมคคลานะเห็นแล้วย้มเพราะท่านดํำริว่าท่านเองพ้นแล้วจากอัตภาพเช่นั้นต่างจากผู้ที่ยังไม่เห็นสัจจะยังมีชาติพบไม่แน่นอน ซึ่งอาจไปเกิดเป็นเปรตเช่นนั้นอีกก็ได้ท่านจึงบันเทิงใจพระอาจารย์ท่านอธิบายอย่างนี้ที่จะป้องกันว่าไม่ใช่แย้มหยันแต่ก็อาจอธิบายว่าแย้มโอดแสดงว่าได้เห็นสิ่งแปลกแสดงอาการคล้ายจะพูดก็ได้ประมวลกล่าวเปรตที่ท่านได้เห็นและพยากรณ์บาปโดยย่อ ด, ดังต่อไปนี้ต้นหนึ่งเป็นแต่โครงกระดูก ถูกฟูงแรงกานกตะกมุมรุมเจาะจิกถึงลอยร้องครุ่ครางไปในเวหาดเพราะเศษกรรมที่ฆ่าโคด้วยเคยเป็นคนฆ่าโคชำละเนื้อให้เหลือแต่กระดูกขายอยู่ในพระนค ร, ครราชกระดนั้นต้นหนึ่งเป็นชิ้นเนื้อถูกฝูงแรงกานกตะกลมรุมเจาะจิกถึงลอยร้องครุ่นครางไปในเวหา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 เหนน็ิมิตเป็นชิ้นเนื้อก็ไปเกิดเป็นเปรทชิ้นเนื้อต้นหนึ่งเป็นบุรุษไม่มีผิวหนังถูกแรงกานกตะกลมเจาะจิกถึงลอยร้องครวญครางไปในเวหาเพราะเศษกรรมที่ฆ่าแกะด้วยเคยเป็นคนค่าถลกหนังแกะขายอยู่ในพระนคร น, นั้นต้นหนึ่งเป็นก้อนเนื้อถูกแรงกานกตะกลมเจาะจิกถึงลอยร้องครวญครางไปในเวหา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 ลอยร้องโควนครางไปในเวหาเพราะเศษกรรมที่ฆ่าสุกรด้วยเคยเป็นคนฆ่าสุกรขายด้วยอาวุธชนิดนั้นอยู่ในพนาคอ น, นั้นตนหนึ่งเป็นบุรุษมีขนทั่วสละพางกายกลายเป็นห อ, อกที่หลุดกระเด็นออกไปแล้วกลับตกลงมาทิ่มแทงกายลอยร้องครวนครางไปในเวหาดเพราะเศษกรรมที่ฆ่าเนื้อด้วยเคยเป็นคนใช้หอกฆ่าเนื้อขาย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 เพื่อเดเคยเป็นคนปากเข็มอยู่ในพระนคร น, นั้นท่านอธิบายว่าคนปากเข็มคือคนพูดส่อเสียดยุกยงให้เขาแตกร้าวกันจะอธิบายว่าคือคนพูดทิ่มแทงให้เขาเจ็บใจเป็นทุกข์อย่างหนักก็น่า จ, จะได้ต้นหนึ่งเป็นบุรุษคุ้มพันคือมีอวัยวะราดโตอย่างหม้อน้ำขนาดใหญ่ต้องเดินแบกขึ้นคอไปหรือต้องนั่งทับ ถูกฟูงแรงการนกตะกลมเจาะจิกถึงลอยร้องครุนครางไปในเวหาดเพราะเศษกรรมที่ช่อโกงชาวบ้านชาวเมืองด้วยเด็กเคยเป็นอมาศช่อโกงอยู่ในพระนคร น, นั้นท่านอธิบายว่าอมาศผู้มินิฉัยซึ่งรับสินบนในระโหฐานแล้วสั่งให้มินิจฉัยบิดเบือนให้ผู้ดีควรได้กัดไม่ได้ทําให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องแบกภาระ เป็นทุกขโทษอย่างหลีเกเลี่ยงฝ่าฝืนไม่ได้เศษกรรมที่รับสิงบนในระโหฐานคือที่ลับจึงส่งให้อวัยวะรหัสปรากฏอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้ต้องแบกทุกทรมานไปต้นหนึ่งเป็นบุรุษจมหลุมคูดมิดศีรษะเพราะเศษกรรมที่เป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นด้วยได้เคยเป็นชายชู้ดังกล่าวอยู่ในพระนคร น, นั้นต้นหนึ่งเป็นบุรุษจมอยู่ในหลุมคู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 ด้วยได้เคยเป็นสตรีประพฤตินอกใจสามีเป็นชู้ด้วยชายอื่นอยู่ในพระนครนั้นตนหนึ่งเป็นสตรีมีกลิ่นเหม็นรูปร่างหน้าเกลียดถูกฟูงแรงการนกตะกรุ่มเจาะจิกถึงลอยร้องครวญครางไปในเวหาดเพราะเศกกรรมที่เป็นแม่มดหลอกลวงคนด้วยได้เคยเป็นผู้หลอกลวงแสดงตนเป็นยักษ์าสีคือเป็นผู้รับใช้ เป็นสื่อทรงของยักษ์หรือผู้ผีพีศา ร, รับบูชาพิีกรรมของคนผู้หลงเชื่ออยู่ในพระนคร น, นั้นต้นหนึ่งเป็นสตรีถูกไฟไม่สุกเปรี่ยมดำคล้ำไปทั้งตัวเยิ้ม ก, กระตังไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองลอยร้องครวญครางไปในเวหาเพราะเศษกรรมยี่โรยฐานเพลิงบนศรีรษะหญิงอีกคนหนึ่งด้วยแรงฤทธิ์ยาด้วยสตรีคนนั้น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 พระเศกรรมที่ฆ่าตัดศีษะคนดเดื่อได้เคยเป็นเพชฌฆาตชื่อว่าหาริกะตัดสีสะโจร่นั้นมากอยู่ในพระนคร น, นั้นต้นหนึ่งเป็นพิสุต้นหนึ่งเป็นพิษุณีตนหนึ่งเป็นศิกขมามนาคือสามเณรีผู้จะอุปสมบทเป็นพิษุณีต้องรักษาศีลพิเศษอยู่สองปีก่อนระหว่างนี้เรียกว่าศิกขมามนา ตนหนึ่งเป็นสามเณรตนหนึ่งเป็นสามเณรีทุกตนทรงสังคาติบาทประคฏเป็นไฟลุกโชนตลอดทั้งร่างกายลอยร้องคลนคลางไปในเวหาพระเศกรรมที่เป็นผู้บวชแล้วทาชั่วด้วยได้เคยเป็นภิกษุภิษุณีศิกขานาสามเณรสามเณรีผู้ประพฤติไม่ดีบริโภคปัจจัยลาภที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้ว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 นาติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิคนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป